สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัทสีในสมัยพุทธกาลได้มาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติในวันนี้จะขอนาชีวประวัติของชัติมาโนบุบาศกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังนะครับชาตามาโนบุบาศกเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรรักการศึกษาเ ร, าเรียน มีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดีรู้จักคุณของผู้มีคุณเป็นผู้ปฏิบัติตามคาสอนของคุณพ่อคุณแม่และครูบาอาจารย์ทั้งเป็นคนมีความซื่อสัตย์สุจริตและได้เป็นอุบาสกตั้งแต่ในยาววัยชีวประวัติของชตาตมานอุบาสก ได้มีกล่าวไว้ในอัตกถาคำพีปรมตถธิปนีที่ขยายความบาลีชาตมานุจัดตมานะวกะนิวิมานคำพีคุตกรนิกายวิมานวัตถุในพระสุตันตปิฎกว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหาร เขตเมืองสาวัตถีครั้งนั้นมีมานพบคนหนึ่งชื่อชัตตมานพบเป็นบุตรของพราหมณ์ชัตมานพบเป็นผู้ที่บิดาของเขาได้เข้ามาได้โดยยากเขาอาศัยอยู่ในเมืองเสตัพหยะเหตุที่พราหมณ์บิดาหรือมารดาของเขา ที่จะได้ชะต า, านพเนี่ยเป็นเรื่องที่อยากเย็นเขันใจเหมือนกับบุคคลที่มีลูกยากนะครับอยากจะมีลูกแต่ไม่มีเหมือนกับคนที่เขามั่งมีเงินทองแต่ไม่มีลูกส่วนคนที่อยากจนเขันใจไม่อยากจะได้ลูกมากนักกลับมีมากอันนี้ก็เป็นไปในทางตรงกันข้ามอยู่ส่วนท่านพรามผู้นี้ก็คงจะพอมีฐานะดีแต่ว่าอยากจะได้บุตร ก็ได้ยากยินเหลือเกินและพวกที่อยากจะได้บุตรเนี่ยก็มักจะไปเที่ยวขอบนบานสารกล่าวจากาสารเทพรักที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างจากภูเขาบ้างจากต้นไม้บ้างจากพระบ้างอะไรเหล่านี้เป็นต้นเพื่อหวังต้องการอยากจะได้บุตรนั่นเองฉะนั้นชตาตมานบนี้ เมื่อมาเกิดในตระกูลพราหมณีก็นับว่าบิดามารดาของเขาดีใจมากเพราะว่าเขาอยากจะมีลูกอยู่แต่ว่าเขากว่าจะมีได้นี่ยากเย็นเขินใจเลยเกินต่อมาเมื่อชัตตมนบเจริญวัยใหญ่โตแล้วบิดาจึงได้ส่งเขาไปอยู่ที่เมืองอุกัตถา เพื่อให้ศึกษาเราเรียนมนและวิชาทางหลายในสำนักของโบคราสาติพราหม์เมื่อเขาไปอยู่ในสำนักของโบคราสาติพราหม์แล้วเขาก็ได้ตั้งใจศึกษาเร่าเรียนในศิลปะของพราหม์จนสำเร็จในเวลาที่ไม่นานเท่าไรนักทั้งนี้เพราะเขาเป็นผู้มีปัญญาดีและขยันหมั่นเพียร นี่แหละครับองประกอบของบุคคลที่จะทําการศึกษาให้ได้รับผลสําเร็จดียิ่งที่เรียกว่าได้รับเกียรตินิยมเนี่ยหนึ่งถ้าคนมีปัญญาดีแล้วและประกอบด้วยความขยันหมั่นเพียร2 อ, องค์นี่แหละครับองค์ปัญญากับองค์ขยันนี่แหละที่จะผลักดันให้บุคคลเรานี่มีความรู้ความสามารถฉเฉลียวฉลาดเรียนอะไรก็สําเร็จทุกอย่างครับถ้าหากว่า ปัญญาและความขยันนี่ขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็รู้สึกว่าจะเรียนได้ยากนะครับถ้าคนมีปัญญาค่อนข้างจะหงู่ขาวเบาปัญญาที่บราณว่านะก็จะเรียนอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องหรือคนที่มีปัญญาแต่ไม่ขยันความไม่ขยันตัวนั้นก็จะเป็นเหตุบั่นทอนในการศึกษาของเขาไม่สำเร็จรุ่วงไปตามเจตนาที่เขาต้องการ องสองแห่งการศึกษาก็คือมีปัญญาดีและมีความขยันมั่นเพียรนี้ท่านผู้ใดจะเรียนอะไรก็จะสำเร็จทางนั้นแหละครับเมื่อชัตมานพได้มาศึกษาศิลปะวิทยาอยู่ในสำนักของบุคคสาติพรามแล้วไม่นานนักเขาก็ได้ศึกษาสำเร็จเสร็จสิ้นลงเรียกว่าเรียนจบ เขาได้บอกอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ครับกระผมศึกษาศิลปะในสำนักของท่านอาจารย์แล้วกระผมจะให้สิ่งใดแก่ท่านอาจารย์เพื่อเป็นการบูชาครูขอรับโบคราชรติพราหม์ตอบว่า ธรรมดาค่าบูชาครูจะต้องพอเหมาะกับทรัพย์สมบัติของลูกศิษย์คือบุคคลสติพรามในท่านก็รู้จักประมาณในการที่จะเรียกค่าศึกษาเราเรียนจากนักเรียนที่มาศึกษาอยู่ในสนักของท่านก็เรียกกันพอสมควรคือตามฐานะถ้าฐานะดีก็อาจจะเรียกมากน่อยฐานะปานกลางก็เรียกแต่พอหมะพอควรเทอ เป็นคนที่อยู่ในฐานะที่ต่ำต้อยก็อาจจะเรียกน้อยหรืออีวิธีการหนึ่งก็คือไม่ต้องเก็บเงินเลยแต่เพียงให้เขาใช้แรงงานช่วยเหลืออาจารย์ในสถานที่อยู่นั้นแล้วก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนไปท่านบกครลสัตยิพราหมณ์ที่คนนับว่าเป็นอาจารย์ที่มีคุณธรรมอยู่ในใจเหมือนกันสมเป็นครูบาอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์ที่ดีนี่ต้องมีศิลธรรมประจาใจ ถ้าขาดศีลธรรมประจําใจแล้วการจะเป็นครูนั้นไม่สมบูรณ์ร้อยเปเซหรอกครับเพราะถ้าขาดศีลธรรมแล้วการตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นครูที่ดีก็อาจจะขาดตกบกพร่องไปซึ่งเราอาจจะเห็นครูบางท่านสูบบุหรี่แต่มาห้ามนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่แต่ว่าตัวครูสูบอย่างเนี้การสั่งสอนนั้นค่อนข้างจะไรผลเพราะอะไร เพราะครูทำตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วจะบอกให้เด็กทำดีเนี่ยเด็กเขาจะไม่ค่อยเชื่อหรอกครับฉะนั้นครูที่เป็นแม่แบบของบุคคลเป็นครูบาอาจารย์คนเนี่ยต้องทำทั้งด้านวิชาการและด้านศิลธรรมในตัวของท่านให้สมบูรณ์ด้วยนะครับจึงจะสั่งสอนสิทธิ์ได้รับผลเต็มร้อปเซ์ครับจตมานพเมื่อได้ฟังบุคคสาติพราหมณ์ บอกถึงว่าถ้าต้องการจะบูชาครูอันเป็นข้าเราเรียนนั้นก็ขอให้เธอนำเงินมาหนึ่งพันกะหาปณะนะจตามานกก็กราบราอาจารย์โบครสาติพราหม์กลับไปเมืองเสตบพยะเมื่อเขากลับมาถึงเมืองเสตบพยะแล้วก็ได้เข้าไปไหวบารดาบิดา ฝ่ายมานดาบิดาก็แสดงความชื่นชมยินดีที่ลูกชายได้ไปศึกษาเล่าเรียนจนจบและกลับมาอันนี้ก็เป็นความหวังของพ่อแม่ทุกคนนะครับที่ส่งลูกให้เร่าเรียนศึกษาแม้จะต้องทำงานเหนื่อยยากบากบัน่นอาบมื่อต่างน้ำบางคนถึงกับยอมเป็นหนี้เป็นสินเพื่อจะเอาเงินมาเสียค่า เ, าเรียนให้ลูกได้ ศึกษาเราเรียนจนจบแล้วพอลูกเรียนจบเนี่ยพ่อแม่ก็มีความดีใจเป็นที่สุดละครับเพราะจุดมุ่งหวังของพ่อแม่ก็อยู่ตรงที่ลูกประพฤติดีปฏิบัติชอบเรียนจนจบในวิชาที่ตนศึกษานั้นฉะนั้นเมื่อชตาติมนุกกลับมานี่ คุณพ่อคุณแม่ก็ได้กระทำปฏิสันานคือการต้อนรับอย่างดีทีเดียวถ้ามาโนบเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ได้บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่โปรดให้เงินแกกระผมสัก1000กระหาปณะกระนะกผมจะนำไปให้แกท่านอาจารย์เพื่อเป็นค่าบูชาครูในวันนี้แหละแล้วกระผมจะกลับมาขอรับหมายความทีเอาเงินไป ให้ท่านอาจารย์โบกคราสาติพราหมณ์แล้วก็จะกลับมามารดาเบดาก็กล่าวกับชัตตามานพว่าลูกเอ๋ยวันนี้เวลาค่ำแล้วลูกอย่าไปเลยรอไว้วันพรุ่งนี้เถอะลูกจริงค่อยไปเมื่อได้พูดจาห้ามปรามชัตตามานพดังนี้แล้วชัตตามานพเขาก็เชื่อฟังนะครับลูกที่ดีเนี่ย จะอยู่ในอาวัตของคุณพ่อคุณแม่ในถ้อยคําที่คุณพ่อคุณแม่สั่งสอนที่จะเป็นประโยชน์แก่เขาแล้วเนี่ยเขาจะรับฟังทุกอย่างครับฉะนั้นชัตมาน ก, ก็เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่อย่างไม่ไปในวันนั้นหรอกแม้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ได้ตระเตรียมนํากหาปนะมาหอ่อแล้วก็มอบให้แก่ลูกชายไว้ ฝ่ายพวกโจรที่ได้รู้เรื่องที่ชัตตมานพจะนำเงินไปให้แก่อาจารย์โบครสาสติพรหมก็จึงคิดต้องการที่อยากจะได้ชิงเอาเงินของชัตตมานพในระหว่างทางเขาก็จึงพากันไปดักซุ่มอยู่ในระหว่างทางที่ชัตตมานพจะไปนั้นด้วยตั้งใจจะชิงเอาเงินจำนวนนั้นมาให้ได้ บังเอิญในวันนั้นเวลาใกล้รุ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงออกจากพระมหากรุณาสมาบัติคำว่าพระมหากรุณาสมาบัตินี้ก็คือการเข้าฌานที่ประกอบด้วยพระมหากรุณาและพระองค์ทรงตรวจดูสัตวโลกเมื่อพระองค์ทรงตรวจดูสัตวโลกอยู่ก็ได้ทรงเห็นชัตตมานพ ดำรงอยู่ในพระไตรศรณาคมและศีลเวลาเขาถูกพวกโจรฆ่าตายแล้วจะได้ไปเกิดในเทวโลกเทวโลกก็คือที่อยู่ของเทวดาแล้วเขาจะลงมาจากเทวโลกพร้อมกับวิมานเพื่อมาเข้าเฝ้าเราทั้งพรองค์ทรงเล็งเห็นบริษัทที่จะมาประชุมกันในสถานที่นั้นเป็นจำนวนมาก และจะได้บรรลุมรคผลด้วยครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเสด็จไปก่กนโดยไปประทับนั่งที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ในหนทางที่ชัตมานพจะเดินผ่านไปชัตมานพถือห่อเงินค่าบูชาครูออกเดินทางจากเมืองเซตัปพยะมุ่งหน้าไปเมือง อกตัาได้แลเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่พายใต้ต้นไม้นั้นเขาจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนมานพเธอจะไปไหนชาตามานพกราบทูลตอบว่า ข้าแต่ท่านพระโคดมผู้ทรงประเสริฐข้าพระองค์จะไปเมืองอุ ก, กัตถาเพื่อนำเงินค่าบูชาครูไปให้แก่อาจารย์โบกระสาติพรามผู้เป็นอาจารย์ของข้าพระองค์พระเจ้าข่ะพระผู้มีพระภาคย้าจึงตรัสถามว่าดูก่อนมานพเธอรู้จักพระไตสรสารณาคมและศีนห้าหรือไม่ ชัดตมานพก็กราบทูลรับไปตามความจริงว่าข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพระองค์ไม่รู้จักพระไตสรสารณาคมและสี่ห้าว่ามีและเป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงถึงพลานิสงคำว่าพลานิสงก็หมายถึงผลแห่งบุญกุศลหรือ การไหลออกแง่งผลคือความดีโดยพระองค์ได้ทรงแสดงถึงพลานิสงของการนับถือพระไตรสรนคมและการรักษาศีลห้าให้ชาตมานพ ฟ, ฟังและพระองค์ตรัสว่าเธอจงเรียนวิธีนับถือพระไตรสรนาคมก่อนชาตมานพก็กราบทูลรับว่าดีแล้วพระเจ้าข้าข้าพระองค์จะเรียน ขอพระองค์โปรดตรัสสอนเถิดพระเจ้าค่ะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงแสดงวิธีนับถือพระไตรสารณาคมจึงตรัสเป็นคําประพันธ์ประเภทร้อยกรองในภาษาบาลีความว่าบรรดาผู้กล่าวสอนอยู่หมายถึงาศาสดาก็คือครูนี่นะครับผู้ใดเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์เป็นนักปราชรอง สากยะเป็นผู้มีโชคเป็นผู้ทำกิจเสร็จแล้วเป็นผู้ไปถึงฝั่งคือพระนิพพานแล้วเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยกำลังและความเพียรคือวิริยะเธอจงนับถือผู้นั้นเป็นผู้ไปดีแล้วเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกเถิดเธอจงนับถือพระธรรม ที่สำรอกราคะคือความกำหนัดยินดีออกได้ไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกเป็นอสังคตธรรมคำว่าอสังคตธรรมเนี่ยก็หมายถึงธรรมะที่ไม่ได้ถูกปรุงแต่งหมายถึงพระนิพพานนั่นเองไม่ปฏิกูลคือไม่น่าเกลียดไพเราะสื่อตรง ที่สถาคตจำแนกไว้ดีแล้วเป็นสรรณะคือที่พึ่งที่ะระลึกเถิดก็หมายความถึงลักษณะที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ชัตมนพได้ฟังนี้เกี่ยวกับเรื่องพระไตรสรณาโคมก็หมายถึงให้ตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรรณะคือที่พึ่งที่ะระลึกเอาไว้ในใจแล้ว พระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปอีกว่าเธอจงนับถือพระอริยสงฆ์สี่คู่8จําพวกพระอริยสงฆ์สี่คู่นี่หมายถึงคู่ที่ท่านจัดเป็นมักกับผลเช่นโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกทาคามิมักสกทาคาหมิผลอนาคามิมักอนาคามิผล และอรหัตมักอรหัตผลนี่ท่านจัดเป็นสี่คู่อย่างนี้คือคู่มักคู่ผลถ้าจัดเป็น8จำพวกก็หมายถึงเริ่มจากพระโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกทาคามีมักสกทาคามีผลอนาคามีมักอนาคามีผลและอรหัตมักและอรหัตผลก็เป็น8ทดถ้าเรียงลำดับก็จะนับได้8ถ้าจัดเป็นคู่ก็ได้4คู่ด้วยกัน และพระพุทธเจ้าได้ตรัสต่อไปว่าที่บดิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นผู้ทำให้ทานที่ถวายมีผลมากเป็นชนะคือที่พึ่งที่ะระลึกถิดครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนวิธีนับถือพระไตราสารนาคมพร้อมทั้งทรงชี้คุณของพระตนไตรดังนี้แล้วชัตมานพได้ฟังพระพุทธธนบสรแล้ว ก็มีใจผ่องแผ้วยินดีจึงรับพระไตรสรณาคมแล้วจึงระลึกถึงคุณของพระตนาไตรได้แก่พระพุทธคุณคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมคุณคือคุณของพระธรรมพระสังฆคุณคือคุณของประสงไว้ในใจของตนเพราะตอนนั้นเขายังไม่เคยนับถืออะไรเป็นสรณะเอาไว้ในใจของเขาเลย เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสอนพระไตรสารณาคมแก่ชาตมานพชาตมานพก็จึงได้นำเอาขุนคงพระพุทธพระธรรมประสงค์เข้ามาไว้ในใจอย่างมั่นคงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงประกาศสี่ขาบทหประการก็คือหมายถึงสีห้านั่นแหละโดยทรงเริ่มตั้งแต่ข้อต้นจนถึงข้อสุดท้าย ทางทรงแสดงอานิสง์และได้ตรัสสอนวิธีสมาทานศีลก็หมายถึงวิธีการรับศีลนั่นเองเพื่อให้รู้จักวิธีการรักษาศีขาบทเหล่านั้นแก่ชาตมานพผู้ตั้งใจน้อมรับอยู่อย่างนี้แล้วชาตมานพทบทวนวิธีสมาทานนั้นด้วยดีมีใจเลื่อมใสแล้ว กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์จะขอกราบถวายบังคมลาไปก่อนพระเจ้าข้าแล้วเขาได้ระลึกถึงคุณของพระตรนาไตรแล้วก็เดินไปตามเส้นทางที่พวกโจรดักซุ่มอยู่นั้น เมื่อพูดถึงอานิสงค์ของศีนนี่นะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ระลึกถึงท้ายคําให้ศีลที่พระท่านจะกล่าวอยู่เป็นประจำว่าศีเลนะสุขติญยันติบุคคลจะไปสู่สถานที่มีความสุขความสบายหลังแที่เราตายและไปเกิดแล้วเนี่ยและก็ศีเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะ มั่งมีทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะอาศัยศีนในเหตุนี้น่นา จ, จะพิจารณากันสักนิดหนึ่งว่าบุคคลรักษาศีนแล้วจะมีผลคาทรัพย์อย่างไรหรือว่ารวยเรียงไรข้อนี้ก็มาดูทางไหลออกของเงินเรากันดูบ้างถ้าบุคคลมีสีนห้าแล้วเนี่ยเรื่องที่จะสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ในข้อที่หนี่จะเห็นได้ง่ายมากครับท่านผู้ฟัง การงดเว้นจากการดื่มสุราลเมีไรได้ของเสพติดเหมือนเมาทั้งหลายเนี่ยถ้าเราเว้นข้อนี้ได้เนี่ยเราจะไม่ต้องเสียเงินในการที่จะต้องไปซื้อสุรายาเมามาดื่มมากินมาเสพอะไรก็แล้วแต่เลยครับลองพิจารณาดูเราจะเห็นได้ง่ายๆเลยนะครับว่าเราไม่ต้องเสียเงินในส่วนนี้ไปเลยเมื่อเราไม่ต้องเสียเงินส่วนนี้ ทรัพสมบัติที่เราทำมาได้แรงงานที่เราทำมาได้ที่เป็นค่าจ้างแรยงานแต่ละวันเนี่ยเงินส่วนนี้ก็จะคงอยู่กับเราแล้วถ้ามาดูในยุคปัจจุบันสิ่งเสพติดทั้งหลายนี่มีราคาแพงมากนะครับสุราก็โคตรละเท่าไหรเท่าไหรก็พวกคนติดนี่ซื้อทั้งนั้นและความว่ายอมเสียงเงินเพื่อต้องการให้ตนได้มึนเมาตรงนั้น หรื อ, อยิ่งเป็นยาเสพติดอย่างอื่นๆราคาก็แพงมากเหมือนกันฉะนั้นเมื่อเว้นศีลห้าได้เนี่ยรักษาสีลห้าได้เนี่ยเว้นในข้อที่ห้าได้เราจะเห็นได้เลยว่าเงินเราจะไม่ต้องสูญเสียไปในตรงนี้ก็เท่ากับทำให้เราเหลือโพกทรัพมีโภกทรัพขึ้นแล้วข้อหนึ่งส่วนในข้ออื่นก็พอจะมองเห็นได้เช่นข้อปาณาติบาตข้อที่1นี่ ถ้าเราไปคิดฆ่าบุคคลทำร้ายบุคคลเกิดคดีความขึ้นโทกจับได้เราก็จะต้องใช้เงินวิ่งเต้นในการที่จะต้องช่วยเหลือตัวเราให้รอดพ้นจากการติดคุกเนี่ยเราก็จะต้องใช้จ่ายเงินตัวนี้ไปอีกเท่าไหร่หรือในการลักทรัพย์โกงทรัพย์ก็เช่นเนวกันเมื่อคนเราไปลักทรัพย์ถ้าก็จับได้ เราก็จะต้องสูญเสียเงินที่เราหามาได้เนี่ยเพื่อเอาไปให้กับการที่เราต้องถูกจับนั้นหรือเอาไปใช้หนี้เขาที่เราขโมยขึมาแล้วก็อิสรภาพของเรานั้นก็สูญเสียไปด้วยนะครับเมื่อถูกจับได้เราก็จะต้องติดคุกติดตารางนี่ก็เป็นเรื่องที่มองเห็นง่ายๆว่า การสูญเสียทรัพย์ของเราเมื่อเรามีสีลก็จะไม่ต้องมาเสียตรงนี้ครับฉะนั้นอา น, นิสงส์สีลข้อที่สองที่ว่าจะทำให้เป็นคนมีพภกทรัพย์เนี่ยเพราะสีลเป็นเครื่องช่วยป้องกันไม่ให้เราสูญเสียทรัพย์ไปในทางที่ไม่ควรในทางที่ไม่ถูกแล้วยิ่งไปกว่านั้นถ้าเรามาพิจารณาดูคำว่าสีนเนี่ย แปลว่าเย็นหรือปกติฉะนั้นเมื่อคนมีสีลเนี่ยก็จะทำงานการที่ตนประกอบอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อะไรทั้งนั้นนะครับถ้าบุคคลตั้งใจประกอบกิจเจ้งานงานไปตามปกตินี่รายได้ที่จะเข้ามาก็เข้ามาเป็นปกติเพราะมีสีลคอยบังคับเราให้ทำงานเป็นปกติอยู่ เมื่อคนสมาทานศีลแล้วจะเป็นคนที่ตั้งหน้าตั้งตากระทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพวกข้ศัพท์จะเกิดขึ้นได้เพราะการกระทำงานด้วยมีศีลเป็นหลักใจของเราให้เราตั้งหน้าตั้งทมตั้งตาทำงานเป็นปกติไปแล้วอานิสมข้อสุดท้ายก็คือเราจะไป นิพพานได้ก็เพราะมีศีนนี่แหละเป็นเมืองบาทฉะนั้นในคำท้ายที่ท่านสรุปศีนเอาไว้ว่าศีลังวิโสทะเยนั่นก็แปลว่าให้เราเนี่ยสรวมระวังในศีนของเราที่รับไปแล้วเนี่ยให้บริสุทธิ์เคยอยากไปรักษากึงกลางๆคือรับจากพระแล้วบางทีไม่ทันพ้นจากสถานที่รับเลย ก็ทำให้ศีลขาดไปเสียแล้วก็มีหรือบางคนรับจากวัดไม่ทันถึงบ้านศีลก็อาจไปขาดในระหว่างทางเสียก็มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นฉนันการรักษาศีลให้บริสุทธิ์นั่นแหละท่านจริงจะได้รับอานิสงค์ครบทั้ง3าประการนั้นถ้ากว่าท่านรักษาศีลไม่ครบอานิสงค์ที่ท่านสาธุมาสาธุมาที่เวลาพระให้ศีลแล้วสาธุรับมานั้น ก็จะไม่ได้ผลตามที่พระท่านตรัสไอพระที่ท่านสอนเรานะครับฉะนั้นศีลที่เรารักษาแล้วนี่ก็ต้องระวังให้บริสุทธิ์สะอาดอย่าให้ขาดง่าจนเกินไปสำรวมใจระวังไว้ว่าเรามีศีลข้อไหนบ้างที่เราจะต้องรักษาที่เป็นทางกายบ้างทางวาจาบ้างนี่นะครับ นี่ก็ขอกล่าวถึงเรื่องอานิสงฆ์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนให้ชัตามานพได้เข้าใจและเพื่อต้องการที่จะให้เขามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและมีความมั่นใจในการรักษาศีลห้าแล้วก็ผลปรากฏเมื่อเมื่อชัตตมานพได้สมาทานศีลด้วยดีแล้วเขาก็เดินทาง ไปเมืองอุ ก, กถาเพื่อจะนำเอาเงินนี้ไปให้แก่อาจารย์ฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระราช บ, บุตรถึงชัตมนบว่ากุศลคือความดีที่มนบผู้นี้ทำแล้วเพียงเท่านี้ก็พอที่จะทำให้เขาเกิดในเทวโลกได้แล้ว และพระองค์ก็จึงเสด็จกลับไปวัดพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวถีเมื่อชัตมานพมีจิตเลื่อมใสตั้งมั่นอยู่ในพระตัตนตรยัยโดยเขามีความคิดเกิดขึ้นภายในจิตกำหนดคุณของพระตัตนตรยัยและตั้งอยู่ในศีลทั้งหลายด้วยอดิฐานใจรักษาศีลห้าข้อตามในที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนเขาไว้แล้วนั้น ขณะที่ชัดตามานกกำลังเดินไปใจก็ระลึกถึงคุณของพระตนาไตรยอยู่อย่างนั้นอย่างมั่นคงพวกโจรได้กลูกันเข้ามาที่หนทางเพื่อจะทำร้ายแก่ชัดตามานกแต่ชัดตามานกไม่ได้ใส่ใจต่อพวกโจรเหล่านั้นเลยทั้งไม่ได้นึกสะทกสะท้านครั่นคราม เกรงขามด้วยแล้วก็ไม่หวั่นกลัวเลยในจิตใจที่เขามีพระพุทธพระธรรมประสงค์อยู่ในใจแล้วก็มีศีลห้าที่เขารับมาจากพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจิตเขาไม่ได้ไปหวั่นไหวกับพวกโจรที่มารุมร้อมผู้จะทําร้ายเขาจิตใจเขามานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เพียงอย่างเดียวเรื่อยไปคริในที่นั้นก็มีโจรคนหนึ่ง ซึ่งยืนส้มอยู่ในพุ่มไม้ได้ยิงลูกธนูอาบยาพิษมาถูกฉัตรมานพทำให้ฉัตรมานพสิ้นใจตายและโจรผู้นั้นได้ถือเอาของเงินของฉัตรมานพหนีไปพร้อมกับพวกโจรผู้เป็นสหายส่วนฉัตรมานพเมื่อถูกฆ่าตายแล้วได้ไปเกิดในวิมานทองที่ สูงได้สามสิบโยดในสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านเปรียบการตายของชัตตมานนกไปว่าเหมือนการนอนหลับแล้วตื่นขึ้นฉะนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเหมือนคนนอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นและเขาได้มีนางอับซรคือนางฟ้าหนึ่งพนางแวดล้อมอยู่ทั้งมีร่างกายประดับประดาด้วยเครื่องประดับมีน้ำหนักถึง60สเล่มเกวียน และวิมานของฉัตรมานพเทพบุตรมีรัศมีคือแสงสว่างแผ่กว้างออกไปตลอดสถานที่กว่า20โยตครั้งนั้นประชาชนชาวเมืองเสตบพยะได้เห็นฉัตรมานพนอนตายอยู่จึงได้พากันไปบอกแกมารดาบิดาของฉัตรมานพให้ทราบปล่ายประชาชนชาวเมืองอุ ก, กัถา ก็ได้นำเรื่องของฉัตมานพสิ้นชีวิตแล้วไปบอกแก่อาจารย์บุบครสาติพรามณ์ให้ได้รับทราบมารนาบิดาและญาติมิตรสหายทั้งหลายของฉัตรมานพและอาจารย์โบครสาติพราหมณ์ได้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายต่างก็ร้องไห้มีน้ําตาไหลาอาบหน้าได้พากันไปยังสถานที่ที่ฉัตรมานพนอนตายอยู่นั้น ประชาชนที่มายังสถานที่ที่ฉัตรมนพนอนตายอยู่นั้นส่วนมากเป็นชาวเมืองเซตับพยะและชาวเมืองอุกถาตลอดกระทั่งชาวเมืองอิฉานางคละก็ได้มาร่วมประชุมกันเป็นจำนวนมากฝ่ายมารดาบิดาของฉัตรมนบได้จัดการตั้งเชิงตะกรเชิงตะกรก็คือที่เผาศพ ขึ้นในบริเวณสถานที่ใกล้กับหนทางนั้นโดยตั้งใจว่าจะเผาศพลูกชายของเขาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระรักริษธิงฉัตรมานพเทพบุตรขึ้นว่าเมื่อแตถาคตไปในสถานที่ที่ประชาชนประชุมกันอยู่เพื่อจะจัดการเผาศพของฉัตรมานพชาตรมานพเทพบุตรจะมาไหว้เราและเราจะ ให้เขาบอกถึงกรรมดีที่เขาได้กระทําไว้ให้แจมแจ้งแก่บุคคลทั้งหลายและต่าถาคตจะแสดงธรรมให้มหาชนฟังเมื่อมหาชนได้ฟังแล้วจะได้ตรัดสู้คือรู้แจ้งมรรคผลเป็นจำนวนมากด้วยวิธีการอย่างนี้ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระดำริดังนี้แล้วจึงพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จํานวนมาก เสด็จไปในสถานที่นั้นพอพระองค์เสด็จถึงจริงประทับนั่งที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วทรงเปล่งพระชับพันรังสี6ประการออกจากพระกายของพระองค์ฉับพันรักสีนี่ก็หมายถึงแสงสว่างหประการก็มีหนึ่งนีละสีเขียวดังดอกอัญชันสองปีตะ สีเหลืองดังหรดานทองสามโลหิตะสีแดงดังสีตะวันอ่อนๆอคือเหมือนตอนพระอาทิตย์ขึ้นใหม่ๆนะครับสีโอทาตะสีขาวดังแผ่นเงินห้ามันเชิดทะสีโหงสบัดดังสีดอกเซ้งหรือสีดอกหมอนไก่หกประพัดสอน สีเรื่มพรายดังแก้วผลึกนี่ก็เป็นเรื่องที่มีบันทึกไว้ในคัมภีร์ปฐมสมพโพธิกถานะครับในครั้งนั้นชัตามานพเทพปบตุตรวจดูสมบัติของตนหลังจากที่ตนได้บังเกิดขึ้นในสวนชันดาวดึงแล้วโดยได้คิดทบทวนถึง เหตุที่ได้สมบัตินี้ก็ระลึกรู้ได้ว่าตนได้สมบัตินี้เพราะการนับถือพระไตรศรนาคมและการสมาทานศีน่ห้าเมื่อเขาเระลึกรู้ได้อย่างนี้จึงเกิดความเลื่อมใสามากขึ้นไปในพระผู้มีพระภาคเจ้าและคิดว่าเราจะไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า และไหว้พระพิสุสงในบัดนี้แหละและจะ ก, กระทาคุณของพระตนไตรให้ปรากฏแก่มหาชนโดยเทพผบุตรนี้เป็นผู้มีความกระตันยูคือรู้จักคุณของผู้มีคุณจึงลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงบันดาลให้ป่านั้นทั้งสิ้นสว่างไสวเป็นไปเหมือนกันหมดและชัตามานพเทพผบุตร ได้ลงมาพร้อมกับวิมานแต่เวลาเทพประบรุลงมาถึงที่ใกล้ที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงลงจากวิมานไปเข้าเฝ้ามอบกราบถวายบังคมด้วยเสียงกล้าวแทบพระยุคลบาตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วถอยออกมายืนประนมมืออยู่ในที่สงฆ์ส่วนครั้งหนึ่งมหาชนได้เห็นดังนั้นแล้ว ต่างก็เกิดความประหลาดใจมีความอาัศจรรย์ใจว่าผู้นี้เป็นใครโนาเป็นเทวดาหรือว่าเป็นพรหมพากันมาแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระประสงค์เพื่อจะแสดงบุญกุศลของฉัตรมานพเทพบุตรที่ได้กระทําไว้ให้ปรากฏจึงตรัสถามเทพบุตรนั้นว่า พระอาทิตย์พระจันทร์หรือดาวฤกษ์ผุดสะที่อยู่ในท้องฟ้าก็ไม่สว่างสวายเหมือนวิมานนี้วิมานนี้มีรัศมีคือแสงสว่างมากไม่มีที่เปรียบปานท่านเป็นใครจึงลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาสู่แผ่นดินท่านมีรัศมีแผ่ไปกว้างย0โสชนยสามารถ กำจัดตัดรัศมีคือแสงสว่างของพระจันทร์และพระอาทิตย์ได้และกระทำกลางคืนให้เป็นเหมือนกลางวันวิมานของท่านสวยงามบริสุทธิ์สะอาดปราศจากความมัวหมองมีดอกปฐุมมากและดอกบุญทริกคือบัวขาวงามอีกทั้งยังดารดาษ ด, ด้วยดอกไม้ทั้งหลายช่างงดงามมากคลุมด้วย ขายทองที่ปราศจากล่องธุลีห้อยย้อยอยู่มีแสงสว่างอยู่ถ้ำกลางนับภากาศเหมือนดวงอาทิตย์วิมานของท่านมีหมู่นางอับสรผู้ทรงผ้าแดงและผ้าเหลืองหอมตลบด้วยกฤิศนาดอกประยงดอกประยงในสีเหลืองเป็นดอกย่อยเป็นตุ่มเล็กๆ และกลิ่นจันทร์มีรูปร่างและผิวพันเปล่งปลั่งดังทองคําเหมือนทองฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวทั้งหลายทวยเทพบุตรและเทพผธิดานวิมานนี้มีมากมายหลายหลา ก, กวรณนะเป็นผู้มีใจร่าเริงยินดีมีอาภรณ์คือเครื่องประดับด้วยดอกไม้มีกรองทองนุ่งห่มด้วยเครื่องประดับที่เป็นทองคํา ดอกไม้ถูกกลมพัด อ, อ่อนๆก็โชยกลิ่นหอมฟุ้งลอยไปตามลมนี่เป็นวิบากคือผลแห่งการสํารวมอะไรท่านได้เกิดในวิมานนี้ด้วยผลแห่งกรรมอะไรและท่านได้วิมานนี้ด้วยวิธีใดท่านจงบอกตถาคตตามสมควรแก่วิธีนั้นด้วยเถิดชาตมานพเทพบุตร กราบทูลตอบว่าพระบรมศาสดาได้เสด็จมาพบชัตตมานพ บ, บนหนทางนี้ด้วยพระองค์เองเมื่อพระองค์จะทรงอนุเคราะห์ได้ตรัสสอนชัตมานพแล้วชัตมานพได้ฟังพระธรรมของพระองค์ผู้ทรงเป็นแก้วอันประเสริฐแล้วจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์จะกระทำตามที่ พระองค์ตรัสสอนว่าเธอจงนับถือพระชินวรผู้ทรงประเสริฐก็หมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งประธรรมและพระภิสุสง์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกเถิดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญที่แรกข้าบระองค์ได้กราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่รู้จักพระไตรสรณาคมและศีลห้าแต่ต่อมาภายหลัง ข้าพระองค์ได้ฟังพระวาจาของพระองค์แล้วจึงได้รู้จักและได้กระทําตามพระธรรมสอนของพระองค์โดยพระองค์ทรงสอนข้าพระองค์ว่าจงอย่าฆ่าสัตว์อย่ารักขโมยอย่าประพฤติผิดในลูกและเมียของผู้อื่นอย่าพูดเท็จอย่าเสพสิงของบืญเมาทั้งหลาย เพราะเป็นกรรมที่ไม่สะอาดทั้งผู้มีปัญญาก็ไม่สา ร, สรเสริญความไม่สำรวมระวังกรรมเหล่านี้ไม่ดีก็หมายถึงว่าการประพฤติผิดในศีลห้าเนี่ยไม่ดีข้าพระองค์ได้ตั้งใจกระทำตาม คือถือสีขาบททางห้าข้อเหล่านี้ได้ปฏิบัติในธรรมะของพระตถาคตและพอข้าพระองค์เดินทางไปถึงทางสองแพร่งก็ตกอยู่ในถ้ำกลางของพวกโจรและพวกโจรเหล่านั้นฆ่าข้าพระองค์ที่ทางแห่งนั้นเพราะต้องการทรัพย์ข่าพระองค์ได้ละลึกถึงแต่ บุญกุศลที่ได้รับถือพระไตรสรนาคมและรักษาศีลห้าเท่านั้นบุญกุศลอื่นนอกจากนั้นข้าพระองค์ไม่มีข้าพระองค์ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งพรั่งพร้อมด้วยสิ่งที่น่าปรารถนาด้วยกรรมอันสุด จ, จริตคําว่าสุดจริตนี้ก็หมายถึงการประพฤติดีการนับถือพระไตรสรนาคมและรักษาศีลห้านั้น ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดจงทรงดูผลแห่งการสำรวมเพียงชั่วเวลาครู่หนึ่งและด้วยการปฏิบัติตามธรรมะโดยสมควรนิถิดที่เหมือนรุ่งเรืองด้วยหยดบุคคลเป็นจำนวนมากผู้มีความประพฤติเลวทรามได้เห็นข้าพระองค์ผู้รุ่งเรืองด้วยฤทธ และด้วยบริวารอย่างนี้ย่อมปรารถนาว่าขอให้เราได้เป็นเช่นนี้ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทอดพระเนตรเถิดข้าพระองค์ได้ไปเกิดในที่ที่มีความสุขสบายเพราะผลแห่งการได้รับฟังพระธรรมของพระองค์เพียงเล็กน้อยส่วนพวกใดที่ได้ฟังพระธรรมของพระองค์ ติดต่อกันอยู่เนืองนิดเห็นทีพวกนั้นจะได้สัมผัส พ, พระนิพพานอันเป็นแดนกเกษมคือความสบายใจเป็นแน่แท้ความดีที่กระทาไว้เพียงเล็กน้อยก็มีผลใหญ่อันไพยบณ์เพราะธรรมะของพระตถาคตแท้ๆโปรดจงดูชัดตามานพผู้ได้กระทาบุญไว้แล้วจึงเปล่งรัศมี คือแสงสว่างไปตลอดทั่วปัตภีเหมือนดังดวงอาทิตย์บุคคลบางพวกประชุมกันแล้วปรึกษากันว่ากุศล น, นี้เป็นอย่างไรพวกเราจะประพฤติกุศลอะไรพวกที่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพึงปฏิบัติมนุษยธรรมคำว่ามนุษยธรรมก็หมายถึงธรรมะที่ทาคนให้เป็นมนุษย์คือ มนุษย์นีก็หมายถึงผู้มีใจสูงได้แก่ศีลห้าและมีเมตตากรุณามุทติตาดุเบกขาหมายถึงให้มีการรักษาศีลพระบรมศาสดาทรงมีอุปการรักคุณมากทรงอนุเคราะห์ข้าพระองค์ด้วยพระกกรุณาข้าพระองค์นึกได้ดังนี้ เมื่อข้าพระองค์ถูกโจรฆ่าเพื่อชิงทรัพย์ในเวลากลางวันแสกๆทีเดียวข้าพระองค์เป็นผู้นับถือพระผู้มีพระนามที่เป็นสัจจขอพระองค์โปรดกรุณาอนุเคราะห์ข้าพระองค์ให้ได้รับฟังพระธรรมเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายขอฟังพระธรรมอีกพระเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงธรรมะให้ฟังว่าชนเหล่าใดในาศาสนานี้ละกามราคะคือความกำหนัดยินดีในกามละอนุสัยคือภวะราคะความกำหนัดยินดีในพบน้อยพบใหญ่และละโมหคือความหลงได้โดยเด็ดขาดแล้วชนเหล่านั้นไม่ต้องเกิดอีก เพราถึงพระนิพพานคำว่าพระนิพพาก็คือการดับกิเลสและกองทุกข์เป็นผู้มีความเยือกเย็นอยู่เป็นนิดแล้วชาตมานุษย์เทพบุตรเป็นผู้ตั้งอยู่ในความกระตันอยู่เมื่อได้แสดงความไม่อิ่มด้วยดีในการเข้าไปใกล้ด้วยการฟังธรรมะจึงกล่าวถ้อยคำทั้งหมดดังกล่าวมาแล้วนั้น ซึ่งเป็นคํากล่าวเทิดทูสลสรรเสริญพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูอธัธยาศัยคือความนิยมในใจหรือนิสัยใจคอของเทพบุตรและบริษัทที่ประชุมกันอยู่ในสถานที่นั้นแล้วทรงแสดงอนุปพิกถาคำว่าอนุปพิกถานี่ก็หมายถึงถ้อยคาที่แสดงไปตามลาดับ มี5ประการคือ 1. นานกทานักากล่าวถึงทานการให้ในนะครับสศีสนลนกถากล่าวถึงศีลสามสขกขากล่าวถึงสวรรค์ 4. ่กามาทินุถากล่าวถึงโทษของกาลและ 5. เนคขมานิสังสกถากล่าวถึงผลดีของการออกบทหรือการออกจากกาม และพระองค์ทรงทราบว่าชนเหล่านั้นมีจิตสงบจึงทรงประกาศสามุกังสิกธรรมก็หมายถึงพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงเองโดยไม่ต้องปรารบคำถามของผู้ฟังหมายถึงทรงสแสดงอริยสัจสี่อริยสัจสี่ก็คือหนึ่งทุกได้แก่ความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือสภาพที่ คงทนอยู่ไม่ได้สสมุทยัยคือเหตุให้เกิดทุกข์เหตุที่ให้เกิดทุกข์ก็ได้แก่ตัณหา 3. นิโรธคือความดับทุกข์ได้แก่การดับตัณหาสามประการนั้น 4. มรรคคือทางมีองค์แปดประการ เมื่อพระผู้มีพระพวกเจ้าทรงเทศนาจบเทพบุตรและมารดาบิดาของฉัตรมานพเทพบุตรก็ตั้งอยู่ในพระโสดาปฏิผลคําคำว่าพระโสดาปฏิผลก็คือผลของการเข้าถึงกระแสธรรมหรือกระแสพระนิพพานตามความหมายก็หมายถึงได้เป็นพระโสดาบันคือเป็นพระเรียบบุคคลชั้นต้น และประชาชนหมู่ใหญ่ได้รู้แจ้งธ ร, รมเกิดสา ม, มารถตรัสรู้รมได้ชาตมานพเทพบุตรอยู่ในอริยผลชั้นที่หนึ่งคือได้เป็นประสดาบันเวลาจะประกาศความเคารพอย่างมากของตนในมักชั้นสูงขึ้นไปและการได้บรรลุมักผลนั้นมีอานิสงส์มากจึง กล่าวซ้ำข้อความในพระคถาธรรมนั้นว่าชนเหล่าใดดำรงอยู่ในพระศาสนานี้ย่อมละคือย่อมถอนกามราคะได้แก่ความกำหนัดยินดีในความใคร่ได้เด็ดขาดโดยไม่เหลือเลยชนเหล่านั้นย่อมไม่ต้องนอนในคันคือจะไม่เกิดอีกเพราะถอน โอรัมพาคียะสังโยชน์หมายถึงสังโยชน์เบื้องต่ำได้แล้วโอรัมพาคียะสังโยชน์นี้ก็มีอยู่5ประการนะครับหนังที่ได้เคยนำมากล่าวไว้แล้วในสถานที่นี้ก็มี 1. นส ก, กาเยทิธิ 2. วิจิกิจชา 3. ศิลปตปรามาต 4. กามราคะและห ปฏิคะนี่เป็นการละกิเลสเบื้องต่ำที่เป็นโอรัมภาคิยสังโยชนะครับอันหนึ่งชนเหล่าใดละโมหะคือถอนได้โดยประการทั้งปวงชื่อว่าละอนุัยคือภาวะราคะได้ด้วยชนเหล่านั้นย่อมไม่ต้องนอนในคันอีกเพราะเหตุใดเพราะถึงพระนิพานคือการดับ กิเลสและกองทุกข์เป็นผู้มีความเยือกเกย็นอยู่เป็นนิดแล้วความจริงชนเหล่านั้นเป็นอุดมมบรุษหมายถึงบุรุษผู้สูงสุดถึงพระนิพพานคือการดับกิเลสและกองทุกข์ด้วยอนุปาฏิเสสนิพานธาตุคําว่าอนุปาฏิเสสนิพานธาตุนีน้ก็คือ <c oughs> ดับกิเลส ไม่มีเบญจขันธ์เหลือคือสิ้นทั้งกิเลสและชีวิตก็หมายถึงพระราหารรันต์มรณภาพหรือสิ้นชีวิตเหรครับเมื่อผู้ที่ได้อนุปาทิเศสนิพานธาตุจึงเป็นผู้มีความ เ, ย, กเกยือกเย็นอยู่เป็นนิทนิรันต์เพราะว่าความเร่าร้อนทุกอย่างที่สรรพสัตว์คือสัตว์ทั้งปวงได้รับอยู่นั่น ก็ได้สิ้นสุดไปในพระนิพพานนั้นนั่นแหละชตามานบเทพบุตรเมื่อประกาศความสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลของตนแล้วจึงถือเอายอดแห่งเทศนาคืออนุปาทิเสสนิพานธาตุกราบถวายบังคมลาพระผู้มีพระภาคเจ้าและกระทาประทักษิณแล้วแสดงความเคารพนับถือในพระพิสุสง และลามานดาบิดาแล้วกลับไปยังเทวโลกอย่างเดิมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงลุกจากที่ประทับแล้วเสด็จไปพร้อมกับพระพิสุสงฆ์มานดาบิดาของฉัตรมานกบกคราซาติพรามและมหาชนทั้งหมดได้ส่งเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแลวต่างคนต่างก็กลับไปสู่ที่อยู่ของตนของตน พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับไปถึงวัดพระเชตวันมหาวิหารแล้วได้ไดตรัสเรื่องมิมาตรนี้โดยพิสดารให้บริษัทที่ประชุมกันอยู่รับฟังและผลปรากฏว่าพระพุทธเทศานานั้นได้เกิดประโยชน์แก่มหาชนก็เป็นอันว่าชีวประวัติของฉัตรมานพ บ, บาศกจบเพียงเท่านี้นะครับ แต่ก่อนจากกันไปในวันนี้ก็ขอนำกรอนมาฝากทิ้งท้ายเอาไว้เป็นข้อคิดสำหรับท่านผู้ฟังว่าเกิดมาทั้งทีทำดีฝากไว้ตายไปทั้งทีนำดีไปด้วยเรากำเนิดเกิดอยู่ได้ไม่นานหนอรีบกอบกอการกุศลเพื่อตนไว้ชั่วชีพนี้ทำดีฝาก ก่อนจากไปดังสละชื่อใสในศีลาก่อนชีวันพลันดับลาลับโลกเราต้องโยกย้ายไปในโลกหน้าทําบุญไว้ใส่จิตคิดศรัทธาวันมรณาพาบุญเป็นทุนไปท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วก็ต้องขอลาจากท่านผู้ฟังประดุวเวลาเพลงนี้ไว้วันต่อไปค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับ